กุศลที่เราทุกคนได้มาปฏิบัติฟังธรรมพร้อมทั้งการเจริญในศีลสมาธิและปัญญาทำไมจึงบอกว่าและปัญญาก็กว่าที่ใครจะถึงคำว่าปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยการนา ในเบื้องต้นซะก่อนหรือว่าการได้อบรมเจริญสติบ่อยๆนั่งยืนเดินนอนอีริยาบทคิดนึกแล้ก็พูดทำขึ้นมาที่ก่อให้เกิดเป็นมโนกรรมบจีกรรม และทางไกเยก ร, รมถ้าเรามีสติคอยกำหนดรู้ในขณะทุกขณะปัญญาที่ไม่เกิดก็เกิดสภาพรู้เนี่ยที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาฉะนั้นปัญญาเนี่ยที่เรา พูดกันอยู่ประจำหรือพูดอยู่บ่อยๆมันอยู่แล้วนะมันอยู่ที่ตัวเราได้ใครครวญพิจารณาอบรมปิดของตนเอง ปัญญาที่บอกไม่เกิดไม่มีมันก็มีเกิดมันก็เหมือนกับการหัดท่องบ่อยๆในสูตรไหนในบทไหนก็ตามพอเราเพิ่มชั่วโมงของการท่องให้มากสัญญา ที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เกิดมากขึ้นนั่นก็คือความจาความจามันก็มีถ้ายิ่งท่องบ่อยบทนั้นก็จำขึ้นใจจำติดปากมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ได้พิจารณา ถ้าเราได้พิจารณาบ่อยๆนั่นก็หมายถึงว่าความรอบรู้แต่พิจารณาสังขารก็ความรอบรู้ในกองสังขารก็ชื่อว่าปัญญาแม้ในสูตรก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้ มันก็เมื่อการได้สำรวมเมื่อเราสำรวมบ่อยเข้าบ่อยเข้าความลังเพลอนเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นความระมัดระวังถ้าเรามีมากมันก็เป็นสติก็แสงว่าทุกอย่างก็เกือกูลกัน อาศัยกันเหมือนมือทั้งสองเท้าทั้งสองตาทั้งสองมันช่วยกันทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ก็ไม่มีอะไรที่จะบกพร่องถ้าจะมีก็น้อยเฉพาะเรื่องที่ไม่มีโทษเท่านั้น แต่ถ้ายิ่งเรื่องไหนที่มีโทษมีเวรหรือก่อให้ภัยตามมาเนี่ยคนมีปัญญาเขาจะเว้นเสียเว้นเสียอย่างเพียงคำว่าโกโททูมเมถ้าโกจะโกรธความโกรธเป็นอารมณ์ยมม่มทราบไหมความ โกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ของคนโง่ไม่ใช่ของใครนะของความไม่รู้นั่นเองก็คือคนโง่เป็นอารมณ์ของคนโง่โกทังปัญญายะอุดชินเทนะ่พึงดับความโกรธด้วยปัญญาเราใช้ว่า ัญญพึงดับความโกรธด้วยปัญญาฉะนั้นเราอย่าฟังผ่านก็ว่าปัญญาทำไมจึงดับความโกรธได้ก็เพราะคําว่าปัญญาบุคคลใดที่เกิดแล้วจะรู้แจ้ง คือรู้แบบอยู่อย่างผู้ไม่มีบาปไม่มีเวรไม่มีภัยและอยู่อย่างผู้ไม่มีนรกด้วยนะไม่อยู่แบบเปรตอสุรกายหรือเยี้ยงสัตว์แม้ใจเองก็ต้องไม่เล่าร้อนด้วยเขาจะต้องรู้จักดูแลรักษา จึงใช่ว่าจิตที่คุ้มครองดีนำสุขมาให้เซงว่าความสุขจริงๆไม่มีใครให้เราได้จริงๆในจิตใจนอกจากว่าเราเรารักษาคุ้มครองจิตได้นำสุขมาให้กิตตังทันตังสุขขาวะหัง แสดงว่ามนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยนะที่ตะเกียรตะกายเข้าใจทึกทักว่าคนนั้นคนนี้จะทำให้เราถึงพร้อมความสุขดูถ้าจะมืดมน มันคงจะเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ได้แต่อยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเกื้อกูลกันเนี่ยได้ได้ฉะนั้นเราต้องแยกกันแต่มายืนยันว่าไม่มีใครที่จะเติมจิตของตนเอง ให้เต็มได้นอกจากตนเองพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราส่งเสียให้ได้รับการศึกษาประถมพยาบาลได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทำให้ได้ทุกทุกเรื่องไม่ใช่และเมื่อถึงเวลาหนึ่ง เราเองก็ต้องไปตามยถากรรมไปตามชีวิตที่มันจะต้องไปจะบกไปตามพรหมริชิตก็สุดแล้วแต่ไปตามกรรมก็สุดแล้วแต่แต่ในที่สุดเราก็ต้องเป็นไปตามชีวิตที่จะต้องเป็นคำนี้ให้ฟังสักนิด เราจะต้องเป็นไปตามชีวิตที่จะต้องเป็นบางอย่างในสิ่งที่เราคิดไม่เหมือนกับที่เรากำลังเป็นอยู่หลายคนก็หัวเราะขำตัวเองหลายคนก็ร้องไห้ร้องไห้กับตัวเองว่าทำไมจิงไม่เป็นเหมือนที่ที่เราคิด โศกเศร้าเสียใจร้องไห้ขึ้นมาบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเหมือนที่เราคิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างฉะนั้นจริงใว่าสิ่งที่เห็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่มันไม่เหมือนที่เราคิดอยู่เพราะเหตุนี้ องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เรามองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าโยมฟังนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตที่เป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อทำลายความทุกข์แข่งอัตตาตัวตน จิตที่ยังมืดมนหลงอยู่กับว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่และเราเคยเป็นนั่นเคยเป็นนี่มาสุดท้ายความเป็นทั้งหมดมันไม่ตั้งอยู่พอถึงเวลาถ้าเราไม่พิจารณาทุกคนจะตกใจตกใจ บางครั้งก็เกิดความสะดุ้งกลัวแต่คนมีสติคนมีธรรมะคนพัฒนาจิตแล้วเนี่ย <c oughs> เขามองในที่สุดจิตไม่ใช่คืออัตตาแต่จิตนั้นที่แท้ก็คืออนัตตา เป็นเป็นเรื่องจริงนะฉะนันหลายคนยังน่าสงสารอยู่ยังไม่เข้าใจแล้วยังไม่ยินดีต่อพระนิพพานยังพอพูดทมที่จะเป็นปรมาติหน่อยเขาจะปฏิเสธ บุคคลเหล่านี้จะยอมรับเพียงสิ่งสมมุติที่ตนอยากได้สิ่งสมมุติที่ตนอยากเป็นและก็ทึกทักใหญ่โตเลยทึกทักชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายในยแม่ทึกทักใหญ่เลยแล้วก็สมมุติวัตถุนั้นว่าเป็นของเราแบบ ยังยืนถาวรจริงๆพวกเราก็รู้อยู่เราเราอยู่กันแบบอาศัยธาตุสี่ก็ไม่น่าจะปฏิเสธธรรมะหรือสงสัยความเกิดดับจริงใช่ว่าหลายคนอยู่ด้วยความเซนดุ้งกลัวแต่ไม่กลัวบากสิ่งที่ควร จะสะดุ้งกลัวเนะี่ยไม่กลัวแต่กลัวคำว่าความพลัดพรากดูดิไอสิ่งที่มันจะต้องเกิดอยู่ไม่วันใดวันหนึ่งเราก็บอกว่าจงอย่ากเกิดกับเราเลยมันไม่ใช่มันต้องเกิดบางคนก็กลัวคำว่าแก่ยืนยันได้ว่า ถึงจะกลัวก็เท่านั้นแหละมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องกลัวไม่ต้องมันเป็นสัจจะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความยึดมั่นต่างหากมนุษย์เรายังไม่เข้าใจรู้ั้มสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำาหรับพระอาหารหันต์และพระอริยเจ้าที่ท่านได้ ในอริยมรรคอริยผลเนี่ยสิ่งที่ท่านกลัวที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นหรือเรียกว่าอุปท า, านความมั่นหมายเนะี่ยสิ่งนี้แหละทำให้ท่านต้องทนอยู่กับสภาพที่บีบคั้นเาเรียกว่าทุกข์แต่ท่านไม่กลัวแล้วคำว่าแก่เจ็บตาย มีอีกในยะหนึ่งถ้าจะกลัวก็คือความเกิดเพราะนะเพราะความเกิดมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ความเกิดมันเป็นความสมหวังไม่ใช่ถ้าติปิทุกขาบาลีแปลวแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไงทุกข์พระอริยเจ้าพระอรหันตนะ์ท่านกำหนดชาติแล้ว จนเหลือเจ็ดชาติอย่างยิ่งและก็สิ้นสุดโดยชาติก็แสดงว่าท่านกําหนดอยู่ที่จิตเป็นอนัตตามันก็เลยหมดมายาความมืดม่านบังตานันทิสัมพันธโนโลโป โลกเนี่ยโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้แล้วรู้ไหมผูกที่ไหนผูกที่ใจยึดมั่นหมายที่ผูกอยู่ได้ก็เพราะความติดอยู่หรือมั่นหมายโยมดูเรามีแขนขาเอาเชือกผูกเอาโซ่ผูกเราก็ ถูกตรึงไม่มีอิสระเขาเรียกว่าเครื่องจองจับแต่จิตใจของเราที่มีเครื่องผูกเขาเรียกว่าเป็นภาวะคือพบใจเข้าไปผูกไม่มีเชือกไม่มีโซ่เพราะสิ่งนี้มันมัดได้กับอย่ยงร่างกาย แต่เครื่องผูกของใจเนี่ยมันคือกิเลสตัณหาแล้วรู้มวมกิเลสตัณหาเนี่ยพาให้ทุกข์แต่มันน่าช ง, งนอยู่ในจุดเริ่มนะรู้สึกว่ากิเลสตัณหามันเริ่มจากสุขยมลองระลึกดูว่าใช่หัหยกิเลสตัณหามันเริ่มจาก ด, นะ ด, ด, ด, ด, ดูเหมือนจะเป็นสุขนะตอนเริ่มพอสัมผัสรสอร่อยใหม่ๆก็ติดใจพอใจยินดีพอเห็นรูปสวยๆติดใจยินดีพอใจดูเหมือนจะเป็นสุขนะเความพอใจนะมันก็มันก็น่าจะเป็นสุขสุขไหมสำหรับปุถุชนนะเริ่มอย่างนี้ก่อน ถ้าเราพิจารณากาหนดแล้วเนะี่ยนั่นแหละคืออัตตาเต็มๆเลยพอเริ่มติดใจพอใจยินดีความจิตที่ต้องไข ว, ขว้คว้าจิตที่ปรารถนานะมันสร้างภพนะสร้างภพนี่แหละที่บอกว่าเราไม่ เกิดปัญญายังไม่อิสระโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไวนายโยมเชื่อมว่ายโยมมีเครื่องผูกอยู่ก็พิจารณาดูเราเนี่ยมีเครื่องผูกและผูกใจมีของสวยๆงามๆก็ผูกยศลาบสรรเสริญก็ผูก แม้บุตรสามีภรรยาภรรยาก็ผูกสวนไรนาเขาผูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจถูกต้องก็ยังติดอยู่กับอารมณ์ที่ยินดีหน้าใครหน้าปรารถนาอย่างนั้นเขาไม่ซื้อหรอกน้ำหอมขวดหนึ่งเป็นหมื่นเมื่น เสื้อผ้าชุดละเป็นแสนแสนเพชรพลอยวงละเป็นล้านล้านเขาคงไม่ไปจับใจแล้วก็ซื้อสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อประดับตกแตก่งไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะร่างกายมันอยู่ด้วยข้าวอาหารยารักษาโรค และเครื่องนุ่มค่มแบบแก้ปกปิดอวัยวะและกันความร้อนความหนาวแต่ไม่ได้ว่าต้องการการประดับที่ประดับตกแต่งนะมันไม่ใช่ร่างกายต้องการหลอกใจมันปรุงมันพัฒนาไปสู่ กรรมากุลห้าถามผิดไหมดุดดังชีวิตของปุถุชนนะมันเป็นสังคมอย่างนั้นแต่ต้องมีสติเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ให้ปัจเจเวกับพระมาเราจะส่องเสพอะไรจารณานะเสนาสนะอีวอนันบินธรบาท ต้องพิจารณายุกยาทั้งหลายที่เราฉันไปต้องพิจารณาถึงเวทนาความเจ็บป่วยก็เสดงว่าร่างของผุกคนที่อยู่พวกเราไม่ใช่อยู่ปราศจากโรคนะมีเรามีโรคมีเราไม่ใช่แข็งแรงตลอดวันหนึ่งกำลัง ของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปถ้ากำหนดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาพอรู้เสร็จไม่ใช่รู้แบบยึดถือในตัวตนรู้แบบไม่มั่นหมายในตัวตนและเราก็ใช้แบบปกติ ยมใช้เขาอยู่อย่างไรก็ใช้อยู่เช่นนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ถูกครอบงำในวันและก็เวลาในสถานที่พร้อมทั้งบุคคลและทรัพย์ทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยทุกเรื่องทุกอย่างหยิบแล้วให้วาง วังให้ถูกที่ยมรองรองพิจารณาเสื้อผ้าที่เราใส่ใส่แล้วทำไมต้องซักจิตของเราที่สัมผัสกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ทำไมไม่รู้จักละเสื้อผ้าใส่ยังต้องซักเพื่อให้สะอาด แต่จิตใจของเราที่สัมผัสอยู่กับโลกใบนี้ทำไมไม่รู้จักละทำไมเพราะเมื่อความโลภเข้าครอบงำคนเวลานั้นก็มีแต่ความมืดตื้อเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงมีแต่ความมืดตื้อต้องระวังกันสักนิดต้องระวังกัน เมื่อความโลภเข้ารอบงาคนเวลานั้นก็มีแต่ความมืดตื้อและยมว่าคำว่ามืดมันเป็นแสงไฟหรือจิตใจมืดมืดตื้อนมืดแม้แต่อยู่ในแสงอาทิตย์ที่สองจ้าอยู่ใจมันมืดก็ถูกครอบงำ อะไรคือสิ่งครอบงำอวิชากิเลสตัณหาและอุปาทานเนี่ยมันเข้ามายึดใจนี้หมดทุกทุกเรื่องทุกทุกอย่างและก็ทุกๆุกเหตุผลด้วยคนเราจรึงมีเหตุผลมากมายที่ยังหลงอยู่ทำไมใช้คาว่าความหลงมีเหตุผล มีเหตุผลเพราะอยากได้เหตุผลเพราะอยากมีเหตุผลเพราะอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากมีอำนาจนี่ก็เป็นสิ่งบอกสิ่งบอกเมื่อความโลภเข้าครอบงำคนเวลานั้นก็มีแต่ความมืดตื่นยมไม่ต้องไปมองมองไกลนะ ยมมองตัวเราแล้วก็มองคนรอบตัวเรายมเห็นความมืดไหมเห็นการทะเลาะกันไหมนั่นไม่ใช่หนทางของความเจริญเป็นหนทางแห่งความวิบัติความวิบัติคือปากเหวแห่งความเสื่อมก็ตรงกับบีนิบัติแล้วละ่ะปากเหวแห่งความลําบากต้องระวังนะ เพราะอะไรเพราะการทะเลาะกันขาดแล้วซึ่งศีลหนึ่งวาจาที่หำหั่นกันทิมแทงกันให้ร้ายกันทําลายกันเราเราฆ่าศีลพอคนไม่มีศีลก็จะกลับมาฆ่ากันเองเริ่มต้นเนี่ยเราต้องฆ่าศีลก่อนไม่ว่าใคร พูดก็ตามการกระทำก็ดีพอเราค่าศีลตัวเราเองแล้วการฆ่าก็ตามมาแต่มาเชื่อถ้าใครยังรักษาศีลได้จริงๆนะรักษาได้จริงๆนะโยมต้องจับคำว่าจริงๆไม่ใช่วันนี้ได้รุ่งนี้ไม่ได้มรืนนี้ยังไม่แน่ มันยังไม่จริงถ้ารักษาศีลได้จริงๆความสงบความสำรวมตั้งมันนะมีสมาธิด้วยนะและสติดีสติดีคนที่รักษาศีลเพราะการรักษาศีลจะต้องผ่านปัญญาในระดับหนึ่งถึงไม่ใช่จะเป็นปัญญา ที่หลุดพ้นแต่เป็นปัญญาในกนําพาให้เราไปสู่อริยมรรคอริยผลเหมือนทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา ก, ก็เป็นบันไดบันไดที่จะนําไปสู่ทำมันเป็นวิมุตต์จิตอันเป็นวิมุตต์ทำมันเป็นวิโมกข้อนี้สําคัญยิ่งเราถูกรอบงําได้เท่าไหร่พลังจิต อำนาจจิตบุคคลนี้จะหมดนะหมดและอ่อนแออ่อนแอต่อสิ่งที่มากระทบได้ง่ายเหมือนไม่มีภูมิต้านอะไรมาย่อ ย, ยุหลงเลยมีสิ่งใดมากระทบหวั่นไหวแล้วมีใครมาหยิบยืน่น เสนออะไรที่เป็นไปเพื่อกิเลสก็จะพ่ายเขาทุกครั้งเลยคือทนอยู่ไม่ได้ในสภาพที่ตนเองจะข้ามก็อยู่ในวังวนแห่งกรรมบุญในภาวะของคบนั่นคือเหยือย่อเหยื่อที่เขาล่อแต่รู้ไหมว่ามัจจุราชพญามัจจุราช เขามองเราแบบตาแดงแล้วนะตานี่ยเขาจ้องมองและพร้อมที่จะยื่นมือแล้วก็ปลิกชีวิตแต่เราไม่รู้ยังเต้นกันแบบโอ้โหเหมือนจะไม่ตายเนี่ยนะเหมือนกินดื่มเหมือนจะไม่ตายดูท่าทาง หาเงินหาทองหายดหาอำนาจดูเหมือนจะไม่ตายกันสติไม่ได้เจริญเลยคนเวลาทะเลาะ ก, กันก็แม่ลืมหมดทุกอย่างสุดท้ายจะเอาชนะกันมันไม่มีชนะหรอกการทะเลาะ ก, กันไม่มีการชนะหรอกมีแต่ถูกหลอก ไม่มีการทะเลาะกันยมนึกว่ามันเป็นกีฬาเหรอไม่มีอ่ะไม่มียิ่งบอกเข็นฆ่าทําลายกันแล้วเนี่ยเราก็ฆ่าศีลก่อนเนี่ยที่บอกไว้แล้วเมื่อเราฆ่าศีลของเราสุดท้ายเราเองก็ถูกฆ่าหรือเราไปฆ่าเขา เราก็จะอยู่อย่างผู้ร้อนใจอยู่อย่างผู้ร้อนใจอยู่อย่างผู้ทุกข์ใจอยู่อย่างผู้ไม่มีอิสระกรรมมันมีผลเมื่อเราไปเบียดเบียนทำลายให้ร้ายชีวิตผู้อื่นเราก็ไม่ใช่จะได้นอนแบบมีความสุขหลับยังมีความสุขไม่ใช่ องสมเด็จพระพุทธพภาคเจ้าสจแสดงนะตะโตตะโตจะปาปักกังตะโตตะโตมโนนิวาระเยเมื่อบาปเกิดจากอะไรจงห้ามใจจากสิ่งนั้ น, นเนี่ยคำนี้น่าสาทุกเมื่อบาปเกิดจากอะไรจงห้ามใจจากสิ่งนั้น เป็นคำที่สําเร็จนะเป็นคำที่สําเร็จเลยเป็นทิปเมื่อบาปเกิดจากอะไรจงห้ามใจจากสิ่งนั้นโอ้เป็นคำที่วิเศษเป็นสิ่งวิเศษเป็นของวิเศษใครนำไปปฏิบัติได้ปิดนรกปิดอบายแปลว่า มีข้อแม้อยู่ว่าบุคคลนั้นต้องมีปัญญาเห็นหปัญญาก็เป็นแสงสว่างปัญญาปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างต้องมีปัญญาแล้วปัญญาก็จะบอกว่าเราจะต้องอดทนก็ต้องอดทนปัญญาบอกว่าเราต้องมีความเพียรเราต้องทำความเพียร ปัญญาโเราจะต้องอดลั่นก็ต้องอดลั่นฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยในที่สุดการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องไปให้ถึงสภาพแห่งปัญญาสภาพของท่านผู้รู้ตื่นไม่ใช่สภาพจำอย่างเดียวจำอย่างเดียวเนี่ยเหมือนพระเทระพระเทระ อ, อนนท่านมีความจำมากเป็นภรสูตจำขึ้นใจท่องได้ปากเปล่าแต่แม้เป็นเช่นนั้นท่านยังอยู่ในขั้นของพระโสดาบันยังไม่ถึงพระอระหันต์นะท่านมาทำความเพียรอีกช่วงหนึ่งตอนที่องค์สมเด็จพระพุมธมีพภาคได้ดับขันบริณีาพานก่อนที่จะทำสังขายานาท่านก็เป็นหนึ่งในห้าร้อย ที่ถูกคัดสรรไว้โดยพระมากสปะเทระเป็นประธานในการทำสังคยนาเขาเรียกว่าเป็นปฐมเริ่มพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้รอบรู้มากมีความทรงจำเป็นเลิศเลยนะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดในบรรดาอารันตาสาวพวกทั้งหลาย เพราะเป็นผู้อุปถากเอาว่าพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นพระอานุลก็เห็นแล้วพระพุทธเจ้าทรงพระบัญทมพระอนุลก็ได้เห็นแล้วก็ไม่รู้จากไรชิดขนาดไหนแม้แต่การนวดพระอานุลก็อุปถาคอุปถาค แต่ว่าในที่สุดพระอานต์ก็ยังได้เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วก็มาทำความเพียรอีกครั้งหนึ่งจึงบรรลุเป็นพระอระหันต์ก็มาปรากฏอยู่ที่ธรรมมาตุห้าร้อแสดงว่าปัญญาเท่านั้นเองที่จะก้าวล่วงจากจิตที่เศร้าหมองหรือจิตที่ข้องอยู่ ฉนันพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องไม่เศร้าหมองเราต้องไม่หม่นหมองต้องปฏิบัติเมื่อถึงสภาพรู้แล้วไม่ว่าสิ่งไหนในโลกไม่ว่าจะเป็นทริปหรือเป็นของมนุษย์จะไม่ครอบงําใจของผู้นั้นได้ไม่ว่าใครนะเมื่อถึงจุดหนึ่ง จิตที่ถึงความหมดจดสะอาดปราศจากการถูกปรุงแต่งไม่วันในนิมิตทั้งหลายเป็นอันในมิ ต, ตะไม่มีนิมิตเป็นเครื่องออกแล้วเนี่ยนะขนาดจิตนั้นจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปรียบเทียบหรือเสมอเหมือนได้นั่นก็คือ จิตอันสิ้นจากสาสวะกิเลสกะดูองค์สมเด็จพระพุมีพระภาคยมเชื่อไม่ว่าไม่ว่าท่านจะได้พิญญาวิชาสามอะไรมาก็ตามเนี่ยที่ในช่งวงปฐมยามแล้วก็มชิมยามก่อนที่จะได้วิชาสามในขั้นสุดท้ายอาสวะคขยายานก่อนจะเกิดเนี่ย ในสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่รู้ที่ทราบที่บําเพ็ญมาในกี่พระชาติก็าตามไม่สำคัญเท่ากับในวิชาสามขั้นสุดท้ายนะ่เรียกว่าอาสวะขยายนยานอันอย่างรู้ว่าบัดนี้ในในกรมนในหาไทยภายในของพระองค์นั้นได้สิ้นจากสาสวะกิเลส อันเป็นเหตุรบน้อยใหญ่พระองค์ได้ทำลายเหมือนที่ได้เคยฟังกันว่าในช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราได้ทำลายเรือนของท่านแล้วท่านจะสร้างต่อไปไม่ได้ก็เหมือนมารผู้มีบาปมารผู้ใจหยาบท่าน ติดตามเรามานานแล้วบัดนี้เราเห็นท่านแล้วหยุดเถิดมารผู้ใจหยาบมารผู้มีบาปท่านมากับเราไม่ได้แล้วเพราะเรารู้วิถีของท่านหมดแล้วพูดเพียงเท่านี้แหละจิตที่มันหลุดออกแล้วท่านตามเราไม่ได้แล้วเพราะทางของเราท่านไม่รู้จักท่านรู้แต่มนุษ ที่มีใจหมกมุ่นอยู่กับกิเลสและการปรุงแต่งอยู่กับรูปเสียงบิ่นรสแต่บัดนี้ม่านไม่รู้หนทางของเราเหมือนนกไม่ทิ้งร่องรอยในนภากาศขณะที่บินไม่มีฉันใดจิตขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคใน ตรัสรู้อสวขยญ า, าติอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เคยรู้มาได้ยิ่งกว่าฤทธิอำนาจทั้งหมดที่เคยแสดงมาจึงกล้าที่จะประกาศว่าบัดนี้เราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณสัพพัยุตญาณได้เกิดขึ้นแล้ว พระองค์ถึงจะว่าเราตรัสรู้แจ้งด้วยพระองค์เองหมดแล้วรู้หมดแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายกาลเวลาโลกนี้โลกหน้าภพนี้ภพหน้าชาตินี้ชาตินะสรรพสิ่งทั้งหลายกรรมของสัตว์น้อยใหญ่ย้อนเวลาทุกอย่างสัพพัญญุตยานรมได้หมด แม้จะรู้ใจของใครที่เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตามหมดทุกเรื่องและแสดงฤทธิ์ได้อย่างไม่มีใครที่เคยแสดงได้และไม่มีใครเหมือนได้แต่สิ่งสุดท้ายต้องมาสิ้นสุดที่ว่าอาสวัคคัยยาน ย, ยานอันอย่างรู้ว่าบัดนี้จิตของพระองค์หมดแล้ว ตัดสิ้นในสังสาระทุกสังสารวัฏไม่มีลนะสังสารวัฏน้อยใหญ่เสียงที่คร่ำครวญเนี่ยไม่มีไม่มีเสียงบนเพลเจอร์ไม่มีจิตที่จะถูกบีบคั้นไม่มีความรักความแค้นที่เป็นอัตตามไม่มีมีแต่พระปัญญา พระเมตตาและพระบริสุทธิคุณหรือวิสุทธิคุณนี่คือการเดินทางที่สิ้นสุดแห่งการบําเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าอาสวคัยญ า, าติเป็นที่สิ้นสุดฉะนั้นอะไรก็ตามที่เคยได้มาก่อนยังไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเหาะเขินขึ้นสู่พรหมโลกก็ยังไม่ใช่ ไม่ใช่ยังไม่ใช่เข้าฌานได้กี่วันกี่วันก็ยังไม่ใช่เพราะอาสวัคคายาตรงนี้ยังไม่ปรากฏแต่พอวิชาสามเกิดขึ้นทุกอย่างจบจบความเกิดของพระองค์ก็สิ้นสุดการบาเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าก็สิ้นสุด ไม่มีกิจอื่นยิ่งกว่าที่พระองค์จะต้องผลควแล้วในการบําเพ็ญก็ถือว่าสิ้นสุดในการทำความเพียรที่หมายการบําเพ็ญตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ้นสุดแล้วแต่ทุระภาระของพระองค์ต้องขนสัตว์นั่นคือพระเมตตาพระเมตตา หรือถอนสัตว์ที่ติดอยู่กับในอวนในแหในบ่วงในเบ็ดในเหยื่อทั้งหมดพระองค์จะชี้ให้พวกเราเห็นฉะนั้นใครที่มีความยินดีต่อพระนิพพานนิพพานนิพพานาพิรัตโตมัตโจสัพพทุขาปมุจจติ ผู้ยินดีในพระนิพพานจึงจะพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้มาจบคำนี้ทำไมเราจึงไม่พ้นทุกย้อนย้อนนิดเพราะเรายังไม่ยินดีในพระนิพพานผู้ยินดีในพระนิพพานจึงจะพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้นี่คือคำตอบ ยมถามตัวเองบ่อยไม่ใช่หรือทำไมเราจริงไม่พ้นทุกพ้นเวนพ้กรรมได้ทีทำไมมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นนี่แหละนี่แหละเพราะเรายังไม่ยินดีในพระนิพพานย่างย่างฉะนั้นเราถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้คำว่าสลดัดกืนย่าแบก ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางถึงเวลาที่ทําลายอัตตาไม่เช่นนั้นอัตตาจะทําร้ายจิตวิญญาณคิดให้ดีนะคนํานี้ทุกคนเคยเจ็บมาเคยทุกมาเพราะชีวิตมันเป็นอัตตาเราสําคัญว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแม้เสียงหอร์อ่ะบางคนก็นึกว่าเป็นของเรา จริงๆมันเป็นบทบาทในขณะที่เริงร่า่านั้นเองแม้เสียงคร่ำครวญบางครั้งเราก็ยังยึดว่าเป็นของเราจริงๆเป็นบทบาทในขณะที่โศกเศร้าเสียใจแล้วรู้ไหมติ่งนี้มันดับไปอีกถามจริงโศกเศร้าเสียใจมากี่ครั้งแล้วคิดว่าเป็นเรายังจาว่าเป็นเราอยู่นั่นแนหะคือมั่นหมาย มั่นหมายค่ะฉะนั้นต่อไปเราต้องรู้จักพิจารณาจเจริญสติให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าถึงปัญญาท้ายสุดนี้ขอญาติยมจงเป็นผู้มีความสุขโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร